จเจริญพอท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท, ท่านวันนี้เป็นวันจันทร์ที่ห้าธันวาคมเป็นวันวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่พวกเราจะได้มาถว า, ายสักการะบูชาแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณเช่นเบดามานดาและพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงจากพวกเราไปในฐานะที่ท่านเป็นพ่อของประเทศชาติพ่อของพวกเราทุกคนที่ความมีความเมตตาสละเวลาสละเงินทองมาดูแลพวกเรา ด้วยการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองให้อยู่กันอย่างมีความล่มเย็นเป็นสุขนำที่ได้สมงตั้งปณิธานไว้ว่าจะครองราชเพื่อปวงประชาชนแ่วไทยไม่ได้ครองราชเพื่อความสุขของพ่อองค์เองครองราชเพื่อให้ประชาชนแถวไทยทั้งปวง ได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ด, ด้วยการอุทิศเวลาทำงานทำการสร้างโครงการต่างๆเพื่อสงเค์ผู้ยากไร่ชาวนาชาวไร่ที่อยู่ตามชนบทแล้วก็ทรงให้โอวาสสั่งสอนเตือนพวกเราให้อยู่กันด้วยความรักด้วยความสามัคคีกัน ไม่ให้แตกแยกไม่ให้ทะเลาะวิวาให้มีความเมตตาต่อกันให้มีความกรุณาให้มีมุนิตาและให้มีอุเบกขาเพราะคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้จะทำให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขจะไม่มีการแตกแยกจะไม่มีการทอดทิ้งกันช่วยเหลือกันดูแลกัน เพราะถือว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกันมีพ่อแม่คือพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าเป็นพ่อแม่ของพวกเราพวกเราถ้ารักกันสามัคคีกันบ้านเมืองก็จะอยู่กันอย่างเป็นเปึกแผ่นแต่ถ้าเราแตกแยกสามัคคีกันบ้านเมืองก็จะล่อมจมนี่คือ พระคุณของพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญให้พวกเราได้มีวันนี้กันให้พวกเราอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายหน้าที่ของพวกเราคือเราต้องมีความสำนึกในบุญคุณเรียกว่าความกตัญญูกตวเวทีสำนึกในบุญคุณแล้วก็ทดแทนบุญคุณวิธีที่จะทดแทนบุญคุณ ที่ดีที่สุดก็คือทดแทนด้วยการปฏิบัติบูบชาปฏิบัติตามพราะ ว, วา่าที่ทรงสั่งสอนให้พวกเรารักกันให้เราพวกเรามีความสามัคคีกันการรักกันก็คือการมีความเมตตาต่อกันมีความกรุณาต่อกัน ม, ม, มีมุดิตาต่อกันมีอุเบกขาต่อกัน าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้เราจะคิดดีพูดดีทำดีเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะมีความสุขผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเราหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราก็จะมีความสุขเพราะเราพูดดีทำดีเช่นเวลาเราพบปะกันเราก็ทักทายกัน ถามความสุขกันถามสารทุกข์สุขดิกว่าสบายดีหรือเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเดือดร้อนหรือเปล่าพอช่วยเหลือกันได้ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกันเพราะชีวิตของพวกเรานน้นมันก็ต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาบางเวลาก็ขึ้นมีความสุขกันบางเวลาก็ลงมีความทุกข์กันเวลาเราตกทุกข์ได้ยาก แล้วมีคนเขามาช่วยเหลือเรามันจะทำให้เรารู้สึกมีความอบอุ่นมีความรู้สึกไม่ว้าเววไม่ถูกทอดทิ้งเราควรที่จะมีความเมตตาคือปรารถนาให้ผู้มีความสุขแล้วก็ไม่ถือโทษกอดโกรธเคืองกันเวลาที่เกิดความเข้าใจผิด หรือเกิดการกระทาที่เกิดความเสียหายขึ้นมาเช่นเขาพูดแล้วทำให้เราเสียหายหรือเขาพูดแล้วทำให้เราโกรธเขาทำอะไรแล้วทำให้เราโกรธเราก็ยกโทษให้กับเขาไปให้อภัยอย่าจองเวรจองกรรมกันเพราะการจองเวรจองกรรมจะนำไปสอ่การต่อสู้กัน อยางไม่มีวันจบสิ้นและอาจจะกลายเป็นสงครามขึ้นมาและก็จะจองเวรจองกรรมกันข้ามภพข้ามชาติไปพบกันที่ไหนก็จะโกรดกันเกลียดกันความโกรธความเกลเียดนี้ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขจะทำให้ใจเรารอ้อนแล้วจะทำให้เราคิดร้ายต่อผู้ที่เราโกรธที่เราเกลเเียดแล้วพอเราไปทำร้ายเขา เขาก็จะกลับมาทำร้ายเราเราก็จะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเราจะต้องคอยกังวลหวาดภาวะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราแต่ถ้าเราให้อภัยเราไม่ตอบโต้เขาก็จะไม่มายุ่งกับเราเพราะเราไม่ได้ไปทำให้เขาโกโรธเขาเกลียดนั่นเองดังนั้นความเมตตาคือ การให้อภัยการไม่จองเวรจองกรรมกันการให้อภัยก็คือความให้ความสุขต่อกันเวลาวิธีให้ความสุขวิธีแผ่เมตตาก็ต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันไม่ใช่ไปแผ่ตอนที่เรานั่งไหว้พระสวดมนต์คนเดียวตอนนั้นเราไม่ได้แผ่ตอนนั้นเราเป็นการเตือนใจ ด้ยสอนใจให้เรามีความเมตตาเวลาเราสวดสัพเพสัตตาเอาเวราหมตุตอนนั้นเราไม่ได้แผ่เพราะไม่มีใครรับเราต้องแผ่ตอนที่มีคนรับเหมือนเราเอาของขวัญไปให้เพื่อนในวันเกิดอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตามีอะไรเราพอที่จะแบ่งกันได้ก็แบ่งกันไปเรียกว่าเป็นการ จาคะบริจาคเสียสละแบ่งปันให้ทานกันช่วยเหลือกันอันนี้ถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เราพบปะกับบุคคลต่างๆถ้าเขาพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็อย่าไปโกรธเขาให้อภัยเขานี่คือความแผ่เมตตา คนที่มีความเมตตานี้จะไม่มีคนเกลียดคนชังจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับเวลานอนหลับ ก, ก็จะไม่ฝันร้ายแล้วจะไม่ตายด้วยการถูกผู้อื่นฆ่าด้วยอาวุธหรือยอาพิษต่างๆและถ้าตายไป ก็จะได้ไปสู่สุขคตินี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีความเมตตาทำให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วทำให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายตายไปก็ได้ไปสวรรค์ไปสู่สุขคตินี่คือวิธีที่เราจะ มาบูชาพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวด้วยการมีความเมตตาต่อกันแล้วก็ให้มีความการุณาคือให้ช่วยเหลือกันเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเช่นเวลาน้ำท่วมไฟไหม้มีภัยทางธรรมชาติพวกเราก็ร่วมวมือร่วมใจกันหาของใช้ของกิน เอาไปให้กับผู้ที่เดือดร้อนนี่คือความการุณาความสงสารช่วยเหลือกันแล้วก็จะทำให้มีความอบอุ่นใจมีความสุขใจว่าเราเป็นเหมือนพี่น้องกันเราไม่ถูกทอดทิ้งไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายอย่างนั้นเวลาที่เราช่วยเหลือผู้อื่นได้ควรจะช่วย เพราะการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้เกิดการช่วยเหลือต่อไปเรื่อยๆถ้าเราช่วยเขาเดี๋ยวเขาก็อยากจะช่วยเราเวลาเราเดือดร้อนเขาเราเคยช่วยเหลือเขาเขาจะรีบมาช่วยเหลือเราทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปขอร้องแต่ถ้าเราไม่เคยช่วยเหลือเขาเขาก็อาจจะไม่มาช่วยเหลือเราก็ได้งนั้นเราต้อง แสดงความสงสารออกมาก่อนแล้วความสงสารนั้นก็จะกลับมาหาเราแล้วเราก็จะอยู่อย่างอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสบายเวลาตกทุกข์ได้ยากก็มีผู้มาช่วยเหลือเราแล้วเราก็ให้มีมุนีตามุดีตาก็คือให้เรามีความยินดีกับความสุข กับความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น mm hmm. เช่นเพื่อนทำงาน mm hmm. ได้เงินเดือนเพิ่ม mm hmm. ได้ตำแหน่งเพิ่มเราก็ควรที่จะแสดงความยินดีไปกับเขาอย่าไปแสดงความอิจฉาหรือเสเพราะจะทำให้เรากับเขาไม่ถูกกันแทนที่จะเป็นเพื่อนกัน mm hmm. ก็กลับกลายเป็นศัตรูกันขอให้คิดว่า ใครทำอะไรไว้เขาก็ต้องได้รับผลของการกระทำของเขาเขาทำอะไรไว้ทั้งอย่างจึงทำให้เขาได้เงินเดือนขึ้นได้ตำแหน่งสูงเรายังไม่ได้ทำเราก็แรงไม่ได้อย่าน้อยใจอย่าเสียใจอย่าอิจฉาริษยาเพราะจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปเพราะเราอิจฉาริษยาแล้วเราก็จะคิดร้ายต่อผู้อื่นต่อผู้ที่เราอิจฉา แต่ถ้าเรามีมุติตาเราชื่นชมยินดีกับความเจริญของผู้อื่นเราก็จะไม่มีความอิจฉาลิสยาแล้วเราก็จะไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นแล้วเราก็จะไม่ได้กลายเป็นคนไม่ดีนี่คือวิธีรักษาความดีของเรารักษาด้วยความมีมุติตาจิตต่อผู้อื่น และข้อสุดท้ายก็คือให้เรามีอุเบกขาอุเบกขาก็คือให้เราทำใจปล่อยวางในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เช่นเราอยากจะช่วยเหลือเขาแต่ไม่มีความสามารถไม่ว่าช่วยเขาไม่ได้เช่นเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่ได้เราอยากจะให้เขาหาย แต่รักษายัางไงไม่หายเราก็ต้องทำใจปล่อยวางอย่าไปอยากช่วยเขาจนกระทั่งทำให้เราต้องไม่สบายอกไม่สบายใจหรือให้เราไปทำอะไรที่เสียหายหนี่คืออุเบกขาคือเราต้องรู้จักทำใจเวลาที่เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขได้ทำอะไรได้เราก็ต้องยอมรับความจริงเช่นเราเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายกันมีการพัดพลากจากกันเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้ถึงเวลามันเกิดเราก็ต้องอย่าเศร้าโศกเสียใจเพราะความเศร้าโศกเสียใจนี้ ไม่เป็นประโยชน์กับเราเป็นโทษกับเราทำให้เรามีความทุกข์กันทำให้เราไม่มีความสุขกันแต่ถ้าเรามีอุเบกขาเรายอมรับความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราทุกคนนั้นมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดพลาดจากกันมีการเจริญแล้วก็มีการเสือ่อม มีการเจริญในลาบยศสารเสริญสุขและมีความเสื่อมในลาบยศสารเสริญสุขเพราะโลกนี้เป็นโลกของความไม่แน่นอนเป็นโลกที่มีขึ้นมีลงถ้าเราไม่ฝึกทาใจให้เป็นอุเบกขาเวลาเราประสบกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเราก็จะทุกทรมานใจ แต่ถ้าเราฝึกมีอุเบกขาเราก็จะสามารถอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆที่เลวร้ายได้โดยไม่รู้สึกเดือดร้อนใจของเรานี้สามารถอยู่กับเหตุการณ์ทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายถ้าเรามีอุเบกขาแม้แต่ความเจ็บคไายได้ป่วยแม้จากความตาย ก็จะไม่สามารถมาทำให้ใจเขาของเราทุกข์หรือเดือดร้อนได้ถ้าเรามีอุเบกขาดังนั้นเราควรที่จะมาหัดเจริญอุเบกขากันอุเบกขาก็คือการทำใจให้สงบนี่เองเวลาใจสงบเป็นสมาธิใจก็จะมีอุเบกขามีอุเคขาแล้วก็จะมีความสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น จะสูญเสียอะไรไปสูญเสียสิ่งที่เราลากไปสูญเสียคนที่เราลากไปก็จะไม่มาทำให้เราเศร้าโศกเสียใจเราจะรู้สึกเฉยเฉยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของโลกที่มีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไปธรรมดาแล้วก็จะทำให้เราไม่ต้องไปทำอะไรที่เสียหาย เช่นถ้าเกิดมีใครมาทำร้ายเรามาทำให้บุคคลที่เรารักเป็นอะไรไปถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็จะโกรธเราก็จะเกลียดอาฆาตพยาบาทได้ถ้าเราไม่มีเมตตาเราก็ต้องมีอุเบกขาเราถึงจะสามารถไม่ไปทำอะไรที่เสียหายได้นี่คือคุณธรรมที่ เราควรจะมีกันถ้าเราอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีปัญหาต่อกันไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันไม่แก่งแย่งชิงดีกันไม่สร้างเวรสร้างกรรมให้ต่อกันสังคมของเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างปลอดภัยทุกคนถ้ามีความเมตตาก็จะไม่ไปเบียดเบียนกัน ก็จะไม่ไปแย่งสมบัติของคนอื่นไม่ไปแย่งสามีภรรยาของคนอื่นไม่ไปแก่งแย่งชิงดีกัน <c oughs> ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะถ้าเรามีความสุขแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมาก <c oughs> เหตุที่เรายังต้องมีอะไรมากกันอยู่ <c oughs> ก็เพราะว่าเราไม่มีความสุขใจ <c oughs> ไม่มีความอิ่มใจนี่เองเราขาดความเมตตาขาดความกรุณา ขาดมุทีตาขาดอุเบกขากันถ้าเรามีกุณฑธรรมทั้ง4ี่ประการนี้แล้วใจของเราจะมีความสุขจะมีความอิ่มจะมีความพอจะไม่ต้องการอะไรมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีมากหรือมีน้อยคนที่มีมากก็มีความทุกข์ได้และมีความอยากที่จะได้มากขึ้นไปมากกว่านั้นได้ ทั้งๆ ท, ที่มีมากใช้ไม่หมดแล้วแต่ถ้าไม่มีความอิ่มความสุขใจก็อยากจะมีมากๆขึ้นไปอยู่เรื่อยๆแล้วความอยากก็จะทำให้ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกันไปมีเรื่องเมลาวกันดังนั้นขอให้พวกเรามาเจริญคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือความเมตตากรุณามุดิตาอุเบขา แล้เราจะมีความสุขใจอิ่งใจเราจะไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกันมีแต่คอยดูแลกำช่วยเหลือกันแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขและปลอดภัยนี่คือวิธีที่เราจะมาบูชาพระคุณของผู้มีพระคุณเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือบิดามารดาของพวกเราขอให้พวกเราคิดดีพูดดีทำดีแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขชีวิตของเราจะไม่มีทุกข์จะไม่มีเรื่องราวาวุว่นวายต่างๆอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย